ล้านนาดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้ง บ้านโฉลกหนุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงตำบลบ้านคือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ พระหรือหลวงปู่ครูบาชยวงศ์สา พระอริยะตามประวัติกล่าวว่าในสมัยเด็กนั้นพันเคยขอทานกะเลียดนับและเมื่อโตขึ้นมาอดีต เอาน้ำรักใส่ที่และทุกตีจนเนื้อแตกจนหลังเหงาเปลือยต้อง ในขณะกินข้าวขณะกินข้าวแต่ด้วยขันติ การวางเฉยและยินดีกับชะตากรรม คือพระสงฆ์ท่านหนึ่งที่แม้แต่ คุ้มหลังชาติกำเนิดพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ชาติกําเนิดวงหรือชัยวงชัยวงศ์นามสกุลตะแหนมเกิดที่ตําบล ตรงกับวันที่ 22 เมษายนพุทธศักราช 2456 เวลา 24 น. 15 นาทีโยมบิดาชื่อน้อยจันตะน้อยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งสิ้น 8 คนท่านและมีน้องต่างบิดาอีกหนึ่งคนคน 3 1 คน รวม 9 คนชีวิตในวัยเยาว์ 2468 ที่วัดแก่งซ้อย และได้รับ 2475 เมื่อครั้ง ที่วัดป่าเป็นพระอุปชากระแตกระตอโดย ด้วยความที่ท่านครูบาชยวงศ์ษา 2479 ถึง 2483 ท่านครูบาชยวงศ์สาก็ถูกกลั่นแกล้งในปีถัดมาให้ 2484 พระ ก็กลับได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จันทวังโสสมณสา 4 เมษายนพุทธศักราช 2514 ได้รับ 5 ธันวาคมพุทธศักราช 2530 ได้รับ 10 ธันวาคมพุทธศักราช 2533 ได้รับการแต่ง 5 ธันวาคมพุทธศักราช 2540 ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นพระครูพัฒนกิจจานุรักษ์เป็นพระครูพัฒนกิจจานุรักษ์เจ้า จากบันทึกที่ท่านครู ท่านเตลูกชาวไร่ชาวนาบิดามารดา ด้วยฐานะดังกล่าวชีวิตของท่านและครอบครัวต้องพบ บางครั้งบางปีก็ไปกวาดเอาขุยไผ่ขุยบง จะนํามันึ่งกินแทนข้าวบางปีไม่มีข้าวสาลี มันนึ่งจิ้มน้ำพริกกินพอให้อยู่ท้องอยู่ไส้ เมื่อฤดูแรงและกลางพรรษาฤดูแล้งและกลางภรรษาส่วนที่เหลือไว้มารดา พี่ก็น้องก็ไม่มีจะให้ไม่มีร้องไห้หายืมกับน้อง ให้ลูกๆกินต่างข้าวประทังชีวิตทุกวัน รับจ้างเลี้ยงควายรับจ้างไถนาเลี้ยงเลือกริ้นยุงไรตางดูดกินเลือดเนื้อด้วยเสื้อผ้าจะหาชิ้นดีสวมใส่นั้นก็ยากมีแต่ขาดหน้าขาดหลังนาเฝ้าไร่ 11 ปีพุทธศักราช 2466 เดือน 6 ขึ้น 13 ค่ำ เด็กชายใชวงเด็กขอกับบิดามารดาว่าจะขอไปอยู่วัดกับหลวงนาพุทธิมาซึ่งบมารดาก็ยินดีว่า เมื่อบิดามารดาต่างยินดีด้วยบิดามารดาต่างยินดีด้วยก็เก็บเอา เอาเด็กชายชัยวงผู้ๆถ้าเราไม่ได้อยู่ก็จักบอกให้ทุก ก็จักพยายามคอยส่งไปหลวงนา ร่ำเรียนแต่ปัญญาก็ไม่ค่อยสู่ดีอ่านหนังสือทุกเช้าเช้าค่ำ 4 5 ทุ่มเมื่อ ถึงตีสี่เตชิก็แล้วกราบครูบาขึ้นมาล้างหน้าล้างตา และหลวงนาพรหมสอนหนังสือแทนท่านทั้งสองก็เป็น ได้สี่ห้าวัน 4-5 วันเมื่อพ่อแม่ได้ยินก็ว่าเขาเป็นครูหวายก็แตกเป็น เด็กชายชัยวงฟังคําจนเนื้อตัวแตกเลือดไหลท่วมตัวก็ก็ยิ่งตีหนักแรงขึ้นครั้นปล่อยมือแล้ว เด็กชายชัยวงก็ หนังสือก็เรียนไปตามเวลาพ่อหลวง<อ> ให้ต่อได้แต่คิดว่าต้องอดทนไปก่อนบางทีกับความยากได้ตีที่ และค้นมาแต่ชาติก่อนชาตินี้มาแต่ชาติก่อนชาตินี้ ชัยวงศ์เมื่อวัยเยาว์นั้นเป็นเด็กวัดอาศัยอยู่กับ เป็นกลุ่มชนที่ไม่มีความเจริญล้าหลังและที่สำคัญที่ไม่เว้นแม้แต่ในวัดในว่ามีความเจริญล้าหลัง ย่ำถูเพื่อนลูกศิษย์วัดด้วยกันที่ กับและหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้ายากนั้นอย่างย่อมทรงผลให้ท่าน เรได้รับในสิ่งที่ดีขึ้นมาตามลำดับรับในสิ่งได้เหล่าเรียนเขียนอ่านพอได้อักษรภาษา หลวงนาพุทธิมาก็พาเด็กชายชัยวง นามอุทิศตน 2486 เด็กชาย 13 ปีเดือน 8 เพ็งเหนือวันอังคาร 12 รูปได้ร่วมกันนั้น ก็คือเด็กชายชัยวงครูบาเจ้าชยลังกา กำลังดําเนินการก่อสร้างพระเจดีย์พระธาตุๆ พร้อมสามเณรชัยลังกาและรูปอื่นๆก็ออก ให้กลับมาสภาพดังเดิมที่ สมณเณรชัยลังกาได้เอ่ยถามครูบาว่าด้วยเหตุใดงดดบ พระน้อยเมืองตื่นจักได้มาสร้างวิหารรอบพระ หน้าที่มึงจักได้สร้างมึงก็ต้องได้สร้างผ่ายหน้าก่อนมึงจักหนีไม่พ้นมึงเหยพบพระอริยเจ้าผู้ประเสร็จ ระหว่างที่บวชเรียนอยู่กับท่าน ไปพร้อมกับสามเณรชัยลังการับ ครูบาเจ้าพรหมจรรย์ก็ขอนิมนต์ครูบาเจ้าไชยลังกาเข้า สามเณรชัยลังกาได้ๆ2475 ขณะ 20 ปี ออก 8 ค่ําวันพฤหัสบดีพุทธศักราช 2475 โดย ได้ตั้งฉายาให้ เมื่อถึงเดือนห้าถึงเดือน 5 แรม 1 ค่ำก็ขอ เยี่ยมมาดาสิทธิ์แล้วพระชยยวงศ์สาก็ลา กับครูบาเจ้าสิงห์วิชัยจนแล้วเสร็จต่อๆ โดยกล่าวหาว่ากล่าวหาว่าไม่มี และรำพันกับตนเองว่าเราจะครอง เมื่อครูก็ได้รับการอุปสมบทใหม่อีกครั้งเจ้าซึ่งในครั้งนี้มรณภาพโดยมีครูบาบุญมาพระ และขนานนามฉายาให้ใหม่ มรณภาพแล้วจึงได้กลับ พระจันทวงศ์โส 33 ปี มาตั้งหมู่บ้านที่ถึง 600 3,000 คนทุกคนที่ได้ก็เห็นดีเห็นชอบมา ครูบาชัยวงศ์สาได้ชักชวนให้ชาวกะเหรี่ยงเข้ารับการ ท่านได้ให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงเพื่อ กับท่านคือพระสงค์บาที่เป็นแบบอย่างของความเพียนเป็นจํานวน และรับเอาเป็นเป็นผู้อยู่ห่างไกลความเจริญอย่างความยาก พวกเขารังเกียจกับการ จوبรรณภาพ ที่ได้วิหารเสนาสนะต่างๆในทางพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ภายใน ให้ยั่งยืนตลอดไปยั่งยืนตลอดอัตชีวประวัติของ ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้สมควรแก่การเคารพ เมื่อชาวเขาได้ฟังคําสั่งสอนของ ให้ชาวเขาสำนึกในกฎแห่งกรรมสำนึกในสัตว์ ต้องพบกับความลําบากก็เนื่องจากการ ในการขัดเกลาจิตใจชาวเขาบ้านพวกที่ และมักจะตกเป็น ได้สร้างกุศลมาไม่ดีจึงต้องเกิดมา แต่ความศักดิ์สิทธิ์และ อัมจกโย่งของพระเถระรูปาชัยวงศ์สาได้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน หลวงปู่ครูบาพรหมจรรย์แห่งวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นพระที่สอนกรรมฐาน ไปหลวงพ่อได้อะไรทุรดงมาอย่าเสียทีที่เกิดมามีบุญกันกับท่านๆ การเป็นที่ยอมรับปาทิตในหมู่พระชุดง ที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้มิได้ ได้ทําให้ท่านพบดอกความ ญาติโยมที่ได้มีโอกาสเดิน ให้ท่านเหนื่อยมามากแล้วเถิดหลวงปู่ท่านจะขอสืบสารกิจการทั้งปวง ที่หลวงปู่ตั้งมั่นสวยให้สําเร็จ ศาลอมตะพระอริยสงฆ์รูบาชัยวงศ์ษาได้ดำเนิน ท่านกรุบาชัยวงศ์ษาเมื่อเยาว์วัยท่านก็ เราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่า ท่านบำเพ็ญบารมีจนสำเร็จเป็นพระ และอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าของพระพุทธเจ้าพระสวัสดีแล